ความสุขความสงบทางผิตคามใจ ทา่านควรนำมาคิพิจารณาสอนกายใจของตนขอทำนองเดียวกันหากคิขอว่าศาสนายะนะคือล่าสมัยก็ไม่มีทางที่จะทำกายทำใจของตนให้ดีวิเศษได้มีใจใจเชื่อชื่เกิดความเบื่อบื่อยุจิตใจให้เป็นไปตามทางชั่วทางเสียทางต่ำเลื่อยไปเพระนั้นเรื่องศาสนาะจึงเป็นเรื่องสำคัญ เราทุกท่านควรคุยที่จะน่ะไม่ใช่ศาสนาเป็นของคือของลาจะไหมตามเรื่องปากของคนหากคนปก็คือปฏิบัติตามเรื่องของศาสนาจะมีความสุกคารสบายความเยือกเย็นเลิกขุดลวนปั่นเหรียก ร, ร, ร้ อ, อนงวุ่นวายอยู่ในปัจจุบันก็เพราะคนขาดเมื่องของศาสนา เพรารรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้มีเมตตาตุลาสมาที่ไม่สอนคนให้ทเลาะเบอกเว้งกันไม่สอนคนให้อิจฉ า, าที่จบาดเจ็บตลอดจนสอนประโยชน์ปัจจุบันอิจฉาในสัมปชัญญให้มีความมั่นความขยันในจิต ก, การหน้ที่จะทําการงานอะไรท่าหักเอาใจใส่มันขยันการงานางนั้น ปฏแบัตกายายจาใจองตนเพื่อมรรคผลหรือทางโลกเพื่อบำเพวญคงตนคนนั้นก็จะไปไม่รอดแต่เพื่งยากลำบากเพราะขาดความหมั่นความขยันเรื่องขอศาสรนาสอนอย่างนั้นสอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานองตนในสอนคนให้เกียดค้าัยอาักขายจำไปทา สิ่งของโดยการรักษาเมื่อเราหมั่นเขั้นหาทับยสมบัดมาได้ไม่รักษาสิ่งของที่ได้มาจะมีทางเสียหายแต่นั้นอาจารสอนให้มีอายรข่าวสมปาทาคือการรักษาสิ่งของจุดปัญหามาได้ยิ่งสิ่งของมีคุณค่ามากเท่าไรจะยิ่งรักษาดีก่อนี้โดยส่วนใหญ่ เราบางคเข้าใจกันเพชรพลอยเงินทองต่างๆ ร, งๆรงๆงงงู้สึกว่าเก็บไปเยอส่วนของคุณนี้คุ้มค่าจ้าละแล้วคุณอาจะงอกบานไปได้พรคนอื่นเขาเห็นในของคุณค้มค่าเขาก็เลยป่อยจะสนใจไม่เลยอยากหน้าแต่ของคุคุ้ค่ามากๆขาเขาไปเห็นเ ข, าข้าเขาก็อยากจะต้นจะที่จะขโมยเอาไปแต่นั้นท่านจึสอน เรื่องรักษะคือการรักษาสมบัติของตนที่หามาได้ตั้งมาชีวิตตางเลี้ยชีวิตขอส่งผลแต่รายได้ของตนไม่จับจ่ายใช้สอยมากเกินเหตุเกินผลของจําเป็นยิ่งไปใช้จ่ายไปจ่ามาน้อยจ่ายได้มากมันจะไม่มีค้าที่จะ เยอะเหรอนีแต่ท้างจ้ะต้นหนึ่งต้นสิ้นเลื่อยไปแต่ทุกแต่จนเลื่อยไปแต่นั้นแั่จืดแต่ใจายพอสมควรจะร้ายได้ในซคืมชว่อยเดียกล่าสมาสีด้วยตากรรยาและนตาตาเพื่อนครับพวกที่เกี่ยวข้องเป็นคนดีในพบนักเรียนต่างซึ่งแต่หนำแต่ตัวเสียหายไป ประโยชน์ปัจจุบันคนใดต่างอาจต่างตาทำมาใช้กินตามถื่อขอพุทธเจ้าคนนี้นำทาสอนแล้วคนนั้นจะมีทรัพเงินบัทพอเป็นพอไปไม่อดอยากอยากจนแต่คนใดไมนเสื่อคํางสอนของพุทธเจ้าคงนี้หน่าที่การงานสื่อเด่นขนาดไหนแต่การใช้จ่าย ด้วยการรักษาการพบเพื่อนมาดีให้ผมนีทางที่จะเสียหายส่วนตีไปสําหรับสมบัติแต่นั้นท่านจึงให้เลือกคัดหาบุคคลคูอเป็นกัลยาณ์ น, นี้คือคนดีมีศีลมีธรรมพระพุทธเ จ, จ้าสอนเขาว่าท่านกะสอนใจแบบหนึ่งสอนที่สกสามะเนรนักบวชท่ า, า น, น, น, น, น, ออนจะสอนใจแบบหนึ่งตามฐานาหน้าที่ อยาธรรมนะจึงเป็นของดีไม่มีอะไรที่จะคืบล้าสมัยตามลมปากของคนหากคู่กับทีปฏิบัติตามธรรมนะต่างคนต่างรักษากายวิจาของคนตลอดจิตใจโรกอันนี้ก็จะไม่เดือดร้อนลืมวายเพราะต่างคนต่างเห็นใจกันชีวิตของเราเราห็นแข็นอย่างไรสมรรถของเราเราห็นแข็นอย่างไร คิดเห็น อ, อกเห็นใจคนอื่นเขาถหากเขามาเล่นเกินตัวของเราแบบนั้นเราจะเสียใจไหมใครคิคเดเชนี้พี่จะแน่ะถ้าเราได้ทํากับเขาเราทำเราเดียวกันถ้าเขามาทํากับเราเราเสียใจเราปกป็กนไม่ควรที่จะไปทํากับเขาสู้กับเขาในสิ่งที่ชั่วที่เสีย น, นั้นนั้นเมื่อทุกท่านรักษาหนนะ้าเข้าใจ เรื่องของศาสนาเรื่ออันนี้ก็อสรดเรยกเย็นไม่เป็นเย็นเป็นใครแจ่กันเพราะทุกคนเห็นอกเห็นใจกันศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญจิตควรระลึกนึกคิดควรฝึกกายฝึก คนะือคุณมีธรรมะมีแต่ลมปากสอนเขาเป็นแต่เป็นเองประพฤชั่วประพฤตเสียคําสอนเป็นอย่างหนึ่งแต่การทําการพูดเป็นไปอีกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้ใครเล่าเขาจะเชื่อถือสอนทูลจึงแต่ไม่เป็นประโยชยน์ให้เหรอนักเรียนสุลาที่เล่าเอา สอนคนอื่นหมานขึ้นเราจริงจ้าเป็นทางไหนดีไม่ชอบอย่า ง, างนั้นดย่างนี้เขาไม่เชื่อไม่นับถือเพราะเหตุใดเพราะถ้างไหนดีทําไมจะจริงจรอยู่เขาจะไม่นับถือคําสอนของคนแบบนั้นนอกจากนั้นคนที่นับถือศาสนาต้องปฏิแบบัติเป็นแบบคุมอันดีแกบบ่คนอื่นเขาเรา อยางขศาสนาอย่างไรประพฤติกายใจของตัวอย่างนั้นถ้าเราประพฤติได้จึงสอนคนอื่นนั้น้าหน้าที่จะมีผู้เชื่อผู้เลื่องใสจะยินดีเต็มใจปฏิบัติตามเพราะทุกคนชอบความสุขแต่เพียงแต่สอนโดยตํำรับาําราโดยองปากของตัวแต่ตัวเองประพฤติเชื่อจะหายดี คนเหมือนกันแต่คนโรคที่หนังเขาไปยาขายยาโรคที่หนังว่ายาของฉันมีอย่างนั้นอย่างนี้โรคที่หนังทุกประเทศใช่เอายาของฉันไปแล้วหายเหมือนปิดทิ้งแต่ตัวของเขาตากเป็นตัวปิดเป็นตัวคนไหนเขาจะเชื่อว่ายาของเขาดีถ้ายาของเขาดีก็ต้องรักษาตัวของเขา เ่ยขาเป็นโรคติดตัวของเขาอยู่ถึงจะประกาศระยะดีขนาดไหนคนผู้สนใจมาเห็นเขาเขาจะหนีเพราะเขาไม่รักษาตัวของเขาทำคาสต่งสอนของพระเจ้าไปโน่นนี่ั่นถ้าพระเจ้าท่านสอนมนุษย์เดลึกจิตใจบริสุทธิ์สอนมนุษย์เบล้างเลตาถูนาสอนมนุษย์ให้ละชื่อบังเทียนดีอย่างไร ตัวของท่ทานเองใประพที่ปฏิบัติมาแบบนั้นเป็นอย่างดีงามเป็นคือเป็นศาสตราของโลกนะไม่มีอะไรที่จะชั่วเจ้าหายสาหรับตัวของพ่าเองท่านากนั้น ท, าท่านจึงสอนมนุษย์ให้รับความสุขความสบายทางกายทางใจเป็นจานวนมาก พระในสมัยปัจจุบันสอนใน ป, ป่าแต่การสาธทตปฏิบัติในตันอย่างนั้นสอนให้เขาละเขาสอนแต่ทางขั่วตัวเองปรับไปทําชั่วทําเสียสอนไม่หให้โลกให้ตัวให้หลวงพระเองโดยรจรงจังทางโลกทา ง, ทางตัวทางหลกเมื่อเตันอย่างนั้นมันจะมีอะไรที่เป็นถูกระทับใจทั้งเขบเขาไปได้มีเงินทา่าและสอนไจป อยู่ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ควรจะนึกในข้อนี้กินได้ไม่ดีอย่าไปทํำไปเสกในสิ่งนั้นหลูกเล็ดเม็ดเลง น, นักเรียนนักศึกษาเขาเกดูีหมือนนินทาคืออาจารย์หนึ่งนะตัวของเราเป็น เ, นเรื่องสำคัญที่ควรดัดแปลงแกไขเรืองสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของใจ ศาสนาสอนถึงเรื่องของใจใจคนนี้เป็นของสําคัญยิ่งกว่าเรื่องของกายกายถึงจะเจ๋งเกิดงดงามหล่อมโยขนาดไหนแต่ถ้าใจชั่วใจเสียหลางกายนั้นก็ไม่คยมีความหมายอะไรสมบัตที brain, him ่มีมากมายหลายหลวงตัวจะสิบหายไปถ้าใจเขชั่วเขาเสียศาสนาจึงสอนเข้าไป ทุทนะ่ที่ไม่เจอนาเรื่อนได้ถูกเป็นไปในทางเสียหายอย่า ทำเพิ่มนในทางดีเส้อไปคนที่มีศาสานาจะจําเป็นอย่างนี้มีความตุ่อยู่ตลอดเดวลาจะไปสถานที่ใดเป็นสื่นขึ้นตัวทำไมเพราะใน่นตรตำแหน่งต้มมเป็นว่าทำชั่วตูวชั่วจิตชั่วอะไรใจเป็นเลือกจึงเป็นใจสะอาดใจเป็นธรรมทางสะอาดจะเป็นผู้ศาสนาถ้าบ้านสะอาดวัดสะอาดก็น่าดู อาศัยกายสะอาดก็มีความสุขพอสมควรขึ้นนุ่มขึ้นแห่งสะอาดก็ไม่อับอายเขาไปแต่ถานที่ใดเขาต้งคงได้ถ้าบ้านในสะอาดที่ถัาอาศัยในสะอาดจะนั่งจะนอนก็ไม่สะดวกสบายกายในสะอาดสกปรกก็เขาต้องคงไม่ได้เพราอับอายเขาใจของเราที่ไม่สะอาดไม่ค่อยได้คิด โดยเปลนใดรักษาแตสิ่งภายนอกไม่รักษาภายในใจที่ไม่สะอาดก็คือใจเลอกใจตวดใจหลงใจติดกันวาอารมณ์ใจไม่สงกไม่สะดวกสบายคิดอ่านอะไรก็เป็นไปในทางเสือทางเสียแต่นั้นเรื่องของใจที่จะสะอาดไนดะ้ก็อาศัยการทราี่มีจิเรณา อาศัยการชาระเนื้อกันกับเรื่องภายนอกชาระเรื่ออะไรชาระเรื่องอดเบคําที่พระพุทธเจ้ า, าแนะนําสั่งสอนสติตรักษาคิดโกอะไรไม่เผื่ะสิตว่าสิ่งที่เราคิดไปนี้มีปัญญาหรอก เ, เยอหรือไม่เป็นไปในทางชั่วทางเสียหเป็นไปในทางดีทางดีอย่างไรสู ไปสังเะเตนุนุธาเครื่ ง, ง, ง ค, คิดพิจารณาดูสม่ำเสมออย่างนี้เมื่อจิตเดาไปคิดไปเป็นไปในทางสิ่ชั่วชื่เสียเมื่อมีสติมีปัญญาพิจรารณาอย่างนั้นจะห้ามกั้นด้วยปัดเต่าอารมณ์ตัวนั้นให้ตกไปจากใจของตัวได้เมื่อไม่มีความชั่วเสียหายมาเกี่ยวข้องกับจิตใจของตน คืนมีอย hmm. ู <ory S 1> ่ชำระให้ตกออกไปใจต่อสะอาดใจต่อผ่งใสใจผ่องใสใจสิมีอัตมีธรรมตัวเองตัวเฉยเฉยสันนิความสงบเย็นเย็นต้องใจสิตัวรู้ตัวเห็นสงบเย็นเย็นอย่างไรไม่ต้องไปถามคนอื่นเพราะทางเป็นสันสุขิโตจะรู้จะเข้าใจในตัวเองถึงคนอื่นเป็นเงินเป็นแสงเขาจะยินยิ้มท่าแต่เท่าไหร เขาพบัตอาจทำให้ถึงแก่ความทำจริงจังท่านหน แล้วพระพุทธเจ้าท่านประบัติดีทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติดีทางกายทางวาจาทางใจ ท, ทั้งท่านมีคนถือมีจิตเดหนะปัญญาอยากหยุดช้าไม่อยาก จากอะไรทราบดีในตัวของเขาองค์ท่านดันั้นท่านจึงไม่หวั่นไหวแต่พวกเราทั่วไปไม่เต้นอย่างนะั้นลมปากเกิดขึ้นอย่างไรไมยาจะติดลมปากเข้าไปแค่ที่เข้าหูเนื้อพูดออกมันก็ดับไปอะไรมันก็ดับไปจะที่าย า, าได้อย่างนั้นไม่เต้นอย่างนะั้นยึดเอาไว้หึ่งเอาไว้เดี๋ยวกา เขาถึใจทั้งตนว่าเขาบนเาว่าเขาดา่าเขาใจแตกทำจิตทงใจทั้งตนให้เดือดร้อนบันใหม่ในตามลมปากท้ ง, ตงนตีลมปากดับไปเขาเขาปิดมัประดับเขาเขาปิดมันกะดั บ, ดนดบในวันนู้ว่าเสียงว่ากิ่นนรกสัมผัสในโลก อ, อันนี้มันมีการเกิดขึ้นและแปลแตกสลายทั่วไปหมดไม่มีอะไรที่จะเหลือหล่อนักถ้าไม่อย่างนั้นก็ี อยู่ที่อาศัยรู้จะกรองเพลิกันขึ้นในที่พักผ้าอาศัยในว่าสัตว์ในวัตมนุษย์ถ้าเกิดในตายแล้วก็ไม่จะเกิดตายอย่างนี้นั่นก็รณีที่อยู่ที่อาศัยขับข้างแน่นกันทั้งโลกเสียงตึงนั้นกันหากมันไม่ดับไปเสียงที่เราได้ยินได้ฟังเสียงบางสิ่งบางอย่างมันก็ดังขึ้นเจวหูแตกถ้ามันยังไม่ดังนะ 看。 ความบาเขาเคยเกิดเคยตายมา่อนผีบินผีดอนผีเราไปดีเขาเป็นเจ้ของขามา่อนแต่เขาเอาไปไหนได้เนี่ยแต่ดูพวกเขาก็ก็เอาไปไหนได้อะไรเราติดตัวเขาเอาไปทางศาสาสนาทางสอนว่าบิณกรรมที่เราทํามาทํากรรมดีได้ดีทํำกรรมชั่วได้ชั่วเรื่องเหล่านี้ถ้าในพิจารณาเป็นธรรมก็อาจจะถือว่า สั่นสอนไม่มีสาละคนทำเชั่วได้ยินมีท้งไปทำทำดีมีคนเบื่อเงินทานับไลยได้ทำดีไม่ได้ดีทำเชื่อไม่ได้ชั่วเลยเมาเอาอย่างนั้นมีความไม่ได้จํานึ้อไม่ได้ที่น้พิจารณาละเอียดแลอวโอ้อไปแล้ะรเชื่อว่าเบืนอบาปมือ มันมีใครมาบอกว่าเขาไปเกิดดูมีสุขเขาไปสกทุกข์ได้ย่งมีความต้องใสใยส่วมัยมากกิดเกิดขึ้นไม่ว่าแั่งแต่สมัยปัจจุบันทุกวันนี้สมัยพุทธกาลก็เคยมีเรื่องเหล่านี้ตายแล้วดับตายไร้สู้ตายแล้วเคยเกิดเป็นอะไรได้เกิดเป็นอย่างนั้นมีความเข้าใจในสมัยนั้นเคยมีสมัยนี้ก็ยังมีความคิดเป็นอย่างนั้น เพราะในเดกที่เจรนาแยบขายจริงจังถ้าคนเชื่ออย่างนั้นทางศาสนาถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิเป็นบาบเป็นกรรมอาจสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตายแล้วสูงเราจะทำอะไรก็ทำได้หรือนะไม่มีบาปไม่มีกรรมติดเป็นตามตัวไปทางหน้าเพราะจะเลี่ยงกฎหมายไม่ใช่านที่จับกุ่มเถอะนะจะทาอะไรก็ทาไปตามชอบใจของตัวเพื่อไม่มีทต ความละอายใจในนิเวศปะตัวต่อบาปต่อกรรมที่ตัวทำไปเป็นแบบนั้นมีจำนวนมากข า, ายเพื่อจะก่อความเดือดร้อนหนวไม้ให้ใจโลออกเท่านั้นในใจิใจของตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นก่อนนับวันที่จะห่างไกลจากความจินไปไม่มีความสงบเย็นใจได้้ามา้าสิบห้าตี ดามันดาเด็กผู้หญิงอิจการะคุณอย่างสะดวกสบายก็ตายไปแล้วสูงตายไปแล้วเคยเกิดเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะความเชื่อมั่นอย่างนั้นเป็นทางผิดใน่ใช่ทางมีทางวิเศษอะไรความเชื่อคงใจอย่างนั้นเพราะไม่ได้ใส่ที่ที่วิจัยนาหลักธรรมะจริงจังหากคนมีธรรมะอย่างรู้ที่วิจายนายันเหตุผลว่าทําดี แต่มีทํำชั่วใด้ชั่วคนตายไปไม่มีอะไรที่จะติดตัวตามปไปอาศัยกรรมที่ทำไวเท่านั้นเพอนี้ถ้างหาพิจารณากันก็คอจะทราบได้แต่มันตกติดหรือตรัสําหรับค น, นที่มีชื่อเสียัญหาถ้างหาพิจารณาก็หนุ่มวัยใสยจะเห็นจะเข้าใจในสิ่ง น, นั้นตามเป็นจริงเพราะทุกคนตายไป อะไรมาเหตุวนอะไรเข้าก็มาเด็กเอาจิตนตามตัวไปทําดีทําช่วไว้ก็มีแต่ชื่อเสียงของเขาไังเลี้อยู่เท่านั้นตัวนของเขาไปอย่างไรเป็นอย่างไรนั้นเหตุผลที่จะไมเชื่อว่ายินบาปมี้ยินบาปไม่มีนั้นเป็นเรื่องคนขาดการคิดวิจารณ์บาปยังมีบุญยังมีทำดียังไดีทํำช่วยยังไม่สุด เราติบันันตา ให้ตัวเองไดรับทุก นักเปนหนุนเช่นโวกไอที่ทำทำงานทําสีงตืดได้ยืดได้พื้นทุ พระพ้ทธเจ้าเันเรื่องต่างๆแน่เห็นชัดสอคนในต้องการอัดใทยอะไรตั้งใจสอนอีเดียดยุ่นตรงจะเพิกปฏิบัติชื่อจ่าจคงคสอนของพระพุทธเจ้ามีความสุขความสบายเพราะถสอนในราชเชื่อบำเพ็ญดีคนที่เชื่อฟังแต่ราเชื่อบาเพ็ญดียไป เป็นต so ิดใจแต่ร so ับความสุขตามสบายมีอย่างคสอนของพุทธเจ้าคือับพศาสนาควรที่จะพิจารณาว่าเรานับพรศาสนาได้อะไรจากศาสนาเข้าใจศาสนาจึงจังหร้อดังหรืออักหืือแต่จปักอย่างของศาสนาจึงจังคสอนอย่างไร จนที่จศึกษาที่ที่ทิเารณาหาความรู้เอาไว้เพราะคนที่มีความรู้ในด้านตองศาสนาประพฤติตัวถูกต้องในเรื่องธรรมะคนนั้นถึงจะไม่มีวิชาความรู้ด้านอื่นกาตามคนนั้นใครจะฐานที่ใดจะไม่รดแบบ ร, รักแค่จะทำมาารีทำรักษาสุขพิธธรรมถึงจะมีอาวุธยุทธรพกรอะไรไปดูตามป่าตามเขาแทนที่สัตว์ร้ายต่างๆจะมากัดมากินมาทำร้ายก็ได้ปใจเพราะใจแข็งท่านเข้าทิ้งทำทำรักษาท่านแบบนาทรรนที่จะอบอยากอยากจนเพราะการ ที่จสึกเท่ากับใจถึงธรรมใจถึงทํามเป็นความสึกอันปเปิดเผิด ถ, ถึงจังแล้วอยู่ในสถานที่ใดไม่ต้องปอ้านอิงเชิงอาศัยเรื่องภายนอกท่านสึกอยู่แล้วข่างสมาอยอยู่แล้วข่านปเปิดเผาอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็เป็อาศัยตาษาลาวเช่ากั เต็มทีอยู่ที่อาศัยทั้งๆที่เคยอาศัยมาก่อนไม่ใชกาอดอยากนี่เตมนาวพวกเราท่านเป็นไกมีปาสาสาหลังที่พักที่อาศัยที่ประทับนนารร้อนท่านมีที่อยู่ของท่า่รบๆนไปอยู่ปลาสาหลังหนึ่งรีนาวปูปาสาหลังหนึ่งรี้ร้อนปปาสาหลังหนึ่งขนเร เกิดความยู่อดสบายอยู่ในวีดีส์ถงกัไอถุงอยู่ข่อยเอ้าไปถุงอยู่ยางสุกยางสบายอยู่ในวีดีหน้าวกับข้าวหน้าวอยู่เข้าไปเหยียบหอบสุกถุงใช่ไหมตะกี้ไปกนมเงี้ยมคือตาบอากาศได้ดี ที่อยู่ที่อานใจข้งั่านจะดูสมาอย่างนั้นการบัรทนหรือการประทับหรือการใส่ไว้ใท่านเป็นกษัตริย์เราจะดูสมายทุกอย่างทางกายทัองท่าน ในพระไทยก็ไมเองนคิดในพระไทยก็ไม่เอ็นยั่งจึงจะ เ, จะจะเบบจะด็ก อ, ออกโซ่ข้าวหลมันแตก อยากจะให้หายอยากจะให้ดีใปหยุดหยุดวายไปขัดข้อถ้าดใจในช่งลาสาสางโดยอาจทำคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวที่ปฏิบัติ สี่ของเราแต่ใช่ในที่ของคนอื่นและเป็นหนื่งจำเป็นยิ่งกว่าทุกสิ่งทุนอย่างเพราะทุกสิ่งทุนอย่างที่เราถือว่าจำเป็นไม่จำเป็นเท่ากันกับการกระตุ้ปฏิบัติใจทั้งตนให้แต่งตัวงับหากทุกคนามใจรักษาเอาไว้ด้วยสติมีปัญญาแม่สอนเป็น ประพฤติปฏิบัติทางนิรันดร์ชั่วเสนอไประวังจิตใจไม่สายแโดยปาำอารมณ์ขันยาจิตหาต่างๆควนั่งแหละจะมีทางสงบควรนั่งแหละจะ่มทุกข์พีงพากันหมั่นที่พิจรร้ศึกษาประพฤติปฏิบัติกายวาจายใจสงบเพราะยังไม่สายแต่ควรพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้ หากเรามองข้ามศาสนาเป็นหน้าที่ของข้าของเรยเป็นหน้าที่ของคนอื่นแต่ตัวพวกเราเองเนื่ยเส้นใจต่อยหายใจเป็นเื่องของคนอื่นที่เรื่องตหาเขาคนอื่นเขาช่วยเขาเสียเราจะเลช่วยเขาเสีไปตามเขาเขาถูกเขาสบายเราจะเลยจุดสบายตามเขาหากเราถือตัวของเราเป็นเรื่องสำคัญก่อ บนอืน้ควรที่จะจระพริบปฏิบัติตัวของตัวร้ายชั่วลงเทมดีให้มีความสงบหนึ่เป็นศุกฝึกกระพริบใจจ้าเป็นแม่สอนศาสนาพุกทุกทักษิณรู้เผยรู้ดีชั่วคิดถูกอยากละเอียดใน